ดังจะพึงเห็นได้ทุกที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดแก่ตายก็ตั้งขึ้นที่ขันอาญตะนธาตุนี้หรือที่นามารูปที่กายใจนี้ โศกปริเทวะเป็นต้นก็เกิดปรากฏที่นา ม, มารูปที่กายใจนี้ประจบ ก, กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เกิดปรากฏที่นา ม, มารูปที่กายใจนี้ ปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เกิดปรากฏที่กายใจที่นามาูปนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นตัวทุกข์ก็คือนามารูปกายใจนี้และก็มีคำกํากับว่า เป็นที่ยึดถือก็คือเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองอันม่งถึงตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่ประกอบเข้ามาด้วยเพราะที่จะเป็นตัวทุกข์นั้น ก็จะต้องมีตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกประกอบเข้ามาด้วยนะดังเช่นที่มีประกอบอยู่ในคำจำแนกแจกแจงว่าอะไรเป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งมีกล่าวถึง ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลากจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอันสิ่งที่เป็นที่รักหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เพราะยึดถือว่าเป็นที่รักหรือยึดถือว่าไม่เป็นที่รักนั่นเองหรือปรารถนาไม่ได้สมหวังก็บ่งถึงตัวปรารถนา ซึ่งเป็นตัวสมุทยัยฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะแยกกันได้ระหว่างทุกข์กับสมุทยัยต้องประกอบกันเมื่อละการปาฐานได้ก็เป็นอันว่า ได้ดับตัวสมุทัยได้จึงดับทุกข์เหลือแต่วิบากขันที่เป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้น ขันอายตนธาธาตุจึงเป็นที่ตั้งของทุกทุกก็ตั้งอยู่ที่ขันอาญาตนะธาตุนี้และสมุทัยก็ตั้งอยู่ที่ขันอายาตนธา ธ, นธตนาตนธาธุนี้เช่นเดียวกันดังที่มีพระพุท ธ, ธที่บาย ในหมวดทุกขสมุ ท, ทยัยว่าดัญหาก็บังเกิดตั้งขึ้นที่อาจรณะภายในอาจารณะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาเป็นต้นทุก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่สมุ ท, ทยัยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่นั่นเอง และก็ย่อมดับไปในที่นี้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงสมควรที่จะกำหนดรู้ในตัวทุกข์ดังกล่าวนี้ก่อนให้รู้จักขันอาุตนาธาตุหรือนามารูปหรือกายใจอันนี้ ว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์ก็ตั้งลงที่นี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวทุกข์ไปด้วยกันและวิธีหัดกำหนดให้รู้จัก ตัวทุกข์ที่ตั้งอยู่ที่ขันอายตนาธาธหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ก็โดยวิธีหัดกำหนดโดยไตรลักษณ์คือลักษณะอันเป็นเครื่องกำหนดหมาย ที่เป็นสามัญทั่วไปแต่สังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงก็คือขันอาจตนาธาตุนามรูปหรือ ก, กายใจเหล่านี้นั่นเองเรียกว่าเป็นสังขาร เ็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นจึงมีลักษณะที่เสมอกันหมดไม่มียกเว้นก็คือไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนั้นก็คือเกิดดับ ก็เกิดก็ต้องดับจึงไม่เที่ยงเพราะถ้าเที่ยงก็จะต้องเกิดไม่ดับแต่นี้เกิดดับจึงไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ เพราะเหตุว่าเหมือนอย่างถูกความเกิดดับนั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่อาการที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไป ด้วยอำนาจของความเกิดดับที่บีบคั้นอยู่ตลอดดังนี้เป็นตัวทุกข์ในไตร ล, ลักษณ์และสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรรถนามิได้ ยัาบังคับให้ไม่ดับหรือบังคับให้ไม่เกิดไม่ดับให้ตั้งอยู่คงที่ไม่ต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปก็บังคับมีได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนิจจทุกขะอนัตตาทั้งสามนี้ นี่แหละรวมกันเป็นตัวทุกข์ที่เป็นทุกข์อริยสัจสภาพที่จริงคือทุกข์เป็นทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ตามที่เข้าใจกันว่าทุกทุกอย่างแท้จริง และเป็นทุกโดยที่เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งจะต้องตกอยู่ในลักษณะของสังขารซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับดังกล่าวมานั้นและเป็นทุกโดยที่ต้องแป ร, ปรเปลี่ยนแปลงไป หัดพิจารณากำหนดให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังนี้ซึ่งเป็นตัวสัจจะความจริงเป็นตัวธรรมดาความที่มหัดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกข์ดังนี้ ย่อมเป็นประโยชน์เพราะจะเป็นเหตุให้ได้ปัญญาที่ละตันหาอุปาทานไปได้ในตัวอันตันหาคือความลิ้นนลทิยานหยากกับอุปาทานคือความยึดถือนี้ ตามหลักพุทธศาสนาย่อมเกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รูน้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันอวิชชาคือตัวไม่รู้นี่ มิใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอะไรบุคคลมีจิตที่เป็นตัวธาตุรู้ย่อมรู้อะไรอะไรได้แต่เพราะมีอวิชชาอยู่จึงเป็นตัวรู้หลง เป็นตัวรู้ที่ยึดหรือเป็นตัวรู้ที่อยากยึดอันหมายความว่ารู้ในสิ่งใดก็มีตัณหาที่เป็นตัวอยากอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้น จึงเป็นตัวรู้หลงแต่ไม่ใช่รู้พ้นรู้พ้นนี้จึงเป็นวิชาแต่รู้พ้นที่เป็นตัววิชานี้จะมีได้ก็ต้องเป็นตัวรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง โดยการที่มาฝึกขัดปฏิบัติตั้งต้นแต่ให้รู้จักตัวทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้และเมื่อรู้จักทุกข์เห็นทุกข์ได้นั่นก็เป็นวิชาขึ้นมาโดยลำดับตัณหาอุปาทานก็จะผ่อนคลายดับลงไปโดยลำดับ เมื่อรู้จริงในสิ่งใดก็ดับตันหาอุปาทานในสิ่งนั้นใดดับไปเองโดยไม่ได้บังคับให้ดับถ้ายังมีอวิชชาคือตัวไม่รู้อยู่ในสัจจะที่เป็นความจริงแล้วยังบังคับให้ตันหาอุปาทานดับสักเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้ตันหาอุปาทานไม่ดับ เมื่อเป็นตัวรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปเองเช่นเดียวกับความมืดเมื่อยังไม่มีความสว่างจะบังคับให้ความมืดดับไปนั่นไม่ได้และความมืดนั่นเอง ย่อมเป็นเครื่องปกปิดทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดไม่ให้มองเห็นต่อเมื่อมีความสว่างความมืดนั้นก็หายไปเอง ตามอำนาจของความสว่างที่บังเกิดขึ้นและเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดหายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดจะปรากฏขึ้นจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ในขณะที่ความสว่างยังไม่ปรากฏขึ้น ความมืดปกคลุมอยู่สิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ในความมืดก็ไม่ปรากฏมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ต้องจำต้องเดาเอาต้องคิดเดาเอาเป็นความปรงุงเป็นความแต่งว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดนั้น คงจะเป็นสิ่งนั้นคงจะเป็นสิ่งนี้ปรุงแต่งไปนี่แหละคือตัวสังขารในจิตใจปรุงแต่งในจิตใจไปซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัจจะคือความจริงพระพุทธเจ้า ทรงทำลายอาวิชชาในหมดแล้วทรงมีความสว่างอย่างเต็มที่ความมืดหายไปหมดแก่พระองค์ทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดจึงปรากฏแก่พระองค์ซึ่งทรงนำมาแสดงสั่งสอน แต่แม้เมื่อทรงแสดงสั่งสอนที่ให้รู้จักขันอาญตนะธาตให้รู้จักนามให้รู้จักรูปให้รู้จักกายรู้จักใจให้รู้จักว่าขันอายตนาธาตนี้เป็นตัวทุกอย่างนี้อย่างนี้ประกอบด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้อย่างนี้ และเมื่อปฏิบัติดับสมุทัยเสียได้ก็ดับทุกได้อย่างนี้อย่างนี้และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม้เช่นนั้นบุคคลผู้ฟังซึ่งยังอยู่ในความมืดยังละความมืดไม่ได้แม้ด้วยฟังคาสั่งสอนของพระองค์ ก็ยังมองไม่เห็นก็ยังคงปรุงแต่งอยู่นั่นเองคือปรุงแต่งว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์แต่จะเป็นทุกข์จริงหรือ น่าจะกลับว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยว่าเป็นสมุทัยจริงหรือน่าจะไปเดชให้เกิดสุขดังนี้เป็นต้นก็แปลว่าความเชื่อยังไม่ตั้งมัน่นเพราะปัญญายังมองไม่เห็นก็แปลว่า ทุกๆอย่างก็ยังอยู่ในความมืดนั่นเองด้วยอำนาจของอวิชชาที่ยังละไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ตั้งใจปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนในศีลในสมาธิในปัญญาที่เป็นตัวมักจิตมีความสงบ ด้วยอำนาจของศีลด้วยอำนาจของสมาธิและด้วยอำนาจของปัญญาที่ปฏิบัติมาโดยลำดับก็ยอมจะบังเกิดความสว่างทำให้มองเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดเพราะความมืดนั้นจะผอนคลายลง เมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปหายไปตามสมควรแก่ความสว่างที่บังเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าทุกตั้งอยู่สมุทัยตั้งอยู่นิโรธตั้งอยู่มรรคตั้งอยู่ชัดขึ้นในเมื่อได้ความสว่างขึ้นนี้เองสัจจะดังกล่าวจึงจะปรากฏแม้ว่า จะปรากฏรังๆรห้มองเห็นเขาว่า น, นี่คือทุกนี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรดังนี้ก็ยังเป็นการดีและความสว่างที่รังรางขึ้นการทำให้พอมองเห็นอะไรขึ้นใดบ้างนี้เองในเมื่อชัดขึ้นบ้างพอสมควร ก็เป็นตัววิชาขึ้นตามสมควรตัญหาอุปาทานก็ดับไปพอสมควรจึงเป็นโอกาสที่ธรรมจะขู่คือดวงตาเห็นธรรมจะปรากฏขึ้นซึ่งความปรากฏปรากฏขึ้นแห่งดวงตาเห็นธรรมนี้ก็รวมเข้าในดวงตาเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้า ตรัดเอาไว้ว่ายังกินจิสมุนทะธรรมังสับบรตังนิโรตธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นเกิดดับนั่นเองชัดขึ้นดังนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์ชัดขึ้นก็ทุกขสัจจานั้นเองเห็นทุกขสัจจดังนี้เป็นธรรมจะขุลงตาเห็นธรรม เป็นความเห็นที่ไม่ใช่เป็นตัวสังขารคือตัวปรุงแต่งคือคิดขาดเอาแต่ว่าเป็นตัวเห็นที่เป็นตัวปัญญาเป็นตัวความสว่างที่บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดที่ความมืดเคยปกปกคลุมอยู่นั้นก็ชัดเจนขึ้นทําให้มองเห็นแบบพี่ คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ดังนี้แหละเป็นตัวธรรมจักษุก็จะดับตันหาอุปาทานลงไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตและตั้งใจทังความสงบสืบต่อไปบัดนี้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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานมาโดยลำดับจับแต่หมวดกายเวทนา หมวดจิตมาถึงหมวดธรรมะอันหมวดธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติพิจารณาพระบรมศ า, ศาสดา ได้ทรงสอนให้กำหนดนิวรณในจิตพร้อมทั้งการละนิวร อ, อันเป็นายอากุศลธรรมธรรมะที่เป็นอากุศลจากนั้น ก็ได้ทรงสอนให้ตั้งสติกำหนดขันห้ากำหนดอายตนะภายในภายนอกกับท้งสัญญต์คือความผูกจิตใจ อยู่ในอาจตนะเหล่านี้ขันธ์ห้าและอาจตนะภายในภายนอกเป็นหมวดอัพยากัธรรมธรรมะกลางกลางไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอากุศลเป็นวิบากขันเป็นวิบากอาจตนะซึ่งบุคคลได้มาจากชนะ ก, กรรมกรรมที่ให้เกิดมา และพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาขันธ์ห้าอายตนะภายในภายนอกอันเป็นวิบากขันวิบากอายตนะ เป็นอัพยากตกรรมอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆและได้ทรงสอนให้กำหนดจับสังโยชน์อันบังเกิดขึ้นในจิตอาศัยอายตนทั้งสองนั่น และสัญญชนี้ก็เป็นไฟอากุศ ล, ลธรรมธรรมะพี่เป็นอากุศลอันแสดงว่าสัญญ์ซึ่งเป็นอากุศ ล, ลธรรมนี้อาศัยอาจตนะนี้เกิดขึ้นไม่ใช่อื่นจึงได้ตรัสสอน ให้มีสติกำหนดตัวสัญญาต์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตและกำหนดดับสัญญาต์ที่บังเกิดขึ้นในจิตจากนั้นก็ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดในโพชฌง อันเป็นฝวายกุศลธรรมธรรมะ